قُلْ ت َ خ ا ل ُ و ن َ مُؤْلِنَّهُمْ قُلْ إِنَّمَا <أنا> <تصفيق> ตุมอันมุมาริฎุัส م ัลลอฮฺอูรราะห์มาน ا รรฮิยฺ ل ์อินฺอัลฮะมดุลิลอั ل ลอฮฺนะฮฺมัลลุฮฺวะนะสตัยนุฮฺวะนะสตักฟิรฺฮฺวะนะอูดุบิลอัลลอฮฺหมินชูรุลัยมฟุซินะวะหมินไซยัติอามัลินะมัยฮฺดิลลอฮฺฟะลามุดิลลัลละวะมัยยูดลลิลฟะลาฮัดิลละฟาชดุอัลลาอฺอิลลาอัลลอฮฺวะฮฺด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 วะฮ์วะสัมย์อัลอาลีมรَีดุบิลอห์ ي ับบะวบิลิสลา ر ดีน่ ا วบิมุฮัมมัดรัสูละัลลัฮฺมัีอินีอาอุบุค์มินะล ا คาสลิว์ชูอิล์ค ن บรีรับบ์อาอุบุค์์มินัฎับ์์ฟินนารีัฎับ์์ฟิลควบรีัลลัฮฺมัีอ้าฟ์นี์์ฟีบดันี์์ฟีสัม وعافني بفي بصره سبحانه ا و بحمده ع د, د خ قلقيه ورضا نفسه وزنات عرشه و م د, و د ا د كلماتي يحيو يقيوم برحمةك أ س ت غ ي ث ه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس ترفت عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a l l a h u m m a d u l i l l พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพี่น้องที่ร่วมนมาสุบะที่มัสยิดอันวาลิสุนนะครับเดีพี่น้องที่ติดตาม <c oughs> รายการอธิบายอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านแดีพี่น้องที่พวกแม่ค้านะครับที่นั่งอยู่ที่ตลาดค้าขายไปก็ฟังาศาสนาไปด้วยนะครับ a l l a h u m m a d u l i l l ดูความเมตตาของ Allah Subhanahu wa taala เราต้องขอบคุณ Allah นะครับแต่พี่น้องต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรานี่ไงอยู่กับ Allah Allah ผู้ไม่จิตสำนึกนะครับจิตสำนึกลึกๆเนี่ย Allah ผู้ไมเรานี่อยู่กับ Allah วันมาลาเอกาตูเข้ลีและบรรดามาลาเอกาเนี Allah, Allah, hin, ่ยอยู Wal ่รอบๆตัวเราอัลลอฮ์อยู่กับเราจะเห็นอัลลอฮ์หรือไม่เห็นแต่มุมลินนบีสอนนะครับให้มีจิตสํานึกว่าเรานี่อยู่กับอัลลอฮ์วันมาลาเอกาตูและบรรดามาลาเอกาเนี่ยเข้าลีอยู่รอบๆตัวเรามีกี่องค์ มารายการที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆก็ซ้ายขวาใช่มหมยังมีอีกข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังนี่ ก, กี่องค์แล้วสพอยัง Allah <c oughs> สร้างเบาสร้างมนุษย์มาคนนึงเนี่ยสวมมาลายการมาสี่ท่านอยู่รอบตัวเรา อัลลอ์เล่าให้นบี ม, มุ h a m m ฟังให้นบีมาสอนแล้วก็กลายเปนนังสืัภีค์อุรอานด้วยอยู่ในหลา ย, ลายสูรรด้วยกันอัลลอฮุมาเรานี่อยู่กับอัลลอ์เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะนี่นั่งอยู่นะี่อัลลอ์อยู่ด้วยนะแต่เห็นหรือไม่เห็นในเรื่องนึงอนะ่ะแต่หัวใจต้องนึกเรื่องที่สองวันมาล้อีกตัฮาลิและมาลายกาเนี่ยอยู่ อยู่รอบๆตัวเราอย่างน้อยกี่องนะสี่องซ้ายขวาแล้วก็อะไรอีกข้างหน้าข้างหลังหน้าหลังเนี่ยเอาไว้คุ้มครองไม่ให้พบกับปัญหาเดือดร้อนนะครับเรื่องไร้ๆรมาเนี่ยสังเกตนะคนที่อยู่กับอัลลอสม่าเสมออัลลอฮฺจะไม่ให้พบกับเหตุร้เท่าไรเราคุ้มครองมีมัลลิกาเนี่คุ้มคุ้มครองอยู่ใจต้องนึกนะ ขอบคุณน้าหล่อสภาพนักการศาที่เราเนี่ยผ่านอ ร, รมณ์อนมาแล้วจะทำเดี๋ยวนี้แล้วบางคนยังบวชโขงอยู่ยังมีไหมมีลูกหลานผมนี่ยบวชโขกอยู่มาวัานนะ่ะถามหลานว่าบวชได้กี่วันแล้วเนี่ยได้ห้าวันอยังนี่งต้องบวชอีกวันหนึ่งเด็กถ้าเราพูดเรื่องศาสนาบ่อยๆเขาก็ไม่ห่วงศาสนาถ้าพ่อแม่ โต๊แช่เนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ไดใส่ใจไม่ถามลูกหลานเลยนะมันก็อร่อยกับดุญยานั่นแหละนะแต่พยายามอบรมกันเตือนกันพูดกันบ่อยๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณเราลอดไปนนองเรา <c oughs> ทบทวนอัลกุรอานมาเนี่ยปีที่38แปดและอายะสุรที่38สิรแสุรทนะครับ ส่วนยาบาลล้อเนี่ยเอานำกุรานผ่านท่านนบีมุฮัมมัดผ่านยิบรีนมาในเรื่องของเราหมดเลยนะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหมดเล ย, เลยครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรนะชาวนรกอ่าใช่ไ้ยชาวนรกอ่าอยายะที่ห8ดเนี่ยพูดยังไงวาอาขอรูมินชักลิฮีอัลวาจุน นะครับอาคตดแปลว่าอื่นอื่นอีกมินชักลิฮีเยี่ยงเยี่ยงหรือเหมือนเหมือนกันอาสวัตชนิดหมายความว่าคนที่ตกนรกเนี่ยถูกลงโทษยังไงเนี่ยออลเล่าในกัพิลุนอ่านมาทย์แี่แรกวนันหนึ่งมีน้ำอะไรนะน้ำหนองน้ำเลือดนี่เป็นเมนูอาหารสำหรับคนชาวนรกแล้วก็น้ำเดือดร้อนร้อนเนี่ยนะใช่ไหม อะไรบ้างนี่แหละนะครับน้ำเดือดน้ำร้อนน้ำหนองนะครับฮามีมุนวะกษากุลอาทิตย์ที่แล้วนะหามีมุนวะกษากุลน้ำเดือดน้ำร้อนเดือดมาใช่ร้อยองศานะมันมากกว่าดุลยาเนี่ยอีก75 70บากว่าเท่าอะ่ะนึกภาพเองก็แล้วกันนี่เราเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็วกษาก็แปลว่าน้ำเหลือง น้ำออกมาจากแผละนะครับของคนนรกที่อยู่ในนรกแล้วรอกกับเล่าบอกว่าคล้ายๆกับน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำรอ้อนมีอะไรอีกครับวันนี้จะอธิบายให้ฟังเช่นอะไรบ้าง <c oughs> คนอยู่ในนรกนี่นะนอกจากกินน้ำเหลืองน้ำร้อนแล้วตะโกนยัสรคูนะฟาฟีหา ตะโกนเสียงดังมากเลยคนนี้ตะโกนคนนี้ตะโกนเอามีสัพันธ์คนตะโกนพร้อมๆกันเนี่ยไปยังไงอ่ะหูแสบแผบแส บ, แสบหูไหมล่ะเนี่ยลอดเล่าให้ฟังเรื่องจริงทั้งหมดตะโกนว่างไงรู้ไหมให้ฉันออกจากนรกหน่อยได้ไหมแล้วรอดท่านบาลีแกาถามว่าจะออกไปไหนอ่ะออกไปอยู่ในโลกดุนยาจะไปแก้ตัวนี่โลกดุนยาโลกใบนี้น่ะจะมาแก้ตัวเพราะตอนอยู่ ไม่ทำความดีอะไรเลยใช่ไหมเอาแต่สนุกอารมณ์ตามใจตัวเองตามใจชสยตอนขอร้องให้ออกจากนรกกลับมาอยู่บนโลกดุนยาใบหนึ่งแม้แต่คนที่ตายธรรมดาเนี่ยคนที่ไม่เอาศาสนาพอตายเนี่ยพอตายเสร็จแล้วนะครับพอไปอยู่ในอลัมบัรซรักเนี่ยพูดไงนะอาร์จีอูนี โอส่งฉันกลับมาอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งรบบานาอับบออรนาวาสามีนาฟราร์เอนานามันซอลหันอินนาโมกน ون. อัลลอ์จ้ า, จาฉันเห็นแล้วฉันได้ยินแล้วฉันเชื่อแล้วขอกลับมาอยู่บนโลกดุนยาใหม่มาเลกาถามว่าก็ออกมาจะดุนยาออกมาแป๊บๆเนี่ขอกลับไปแล้วหรือ บอกว่าใช่ทำไมดเพราะพอเห็นแล้วว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสอนอัลกุรอานที่สอนมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดขอกลับมาแก้ตัวใหม่เอาถามพวกเรามีไหมอันเราเคยส่งใครมามาแก้ตัวมีไหมไม่มีครับฉะนั้นอ่านกุรอานให้เข้าใจและศึกษาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อน้ครับรอถ้าพลาดไปแล้วนะโอกาสเติบบ้าตัวไม่มีแล้วนะถ้าจะตบ้าตัวต้องติบบ้าตัวนี่แหละ ตอนอยู่บนดุนยาบนรณิกรที่วิญญาจะออกจากร่างมาดูวันนี้นะครับ61ก็รอบบานมังกัดดมลานะฮะฟาจิฮอัลาบัดิอาฟากาลูรับบนมังกัดดามลานะฮะ ฟ้า زيد หัวอาดับ a ah ัน ضيع فا الله أكبر نعوذ بالله من ذلك ก็รู <mark> <ait> ้ด <goof cji> <normalmente> <nước> ูสับนะพวกเขาทั้งหลายกล่าวว่าพวกไหนรู้ไหมลูกน้องที่เดินตามยกตัวอย่างนะเดินตามฟาโร่กันแล้วกันอ่ะลูกน้องที่เดินตามฟาโร่ในยุคท่านสมัยนู้นนะถ้าสมัยนบีก็ อบูยะลอบูลาบใครตะใครพวกนี้จะเป็นหัวหน้าใหญ่นี่ใช่ไหมแ ล, ล้วลุกน้องที่เดินตามเนี่ยก็จะพูดว่าไงนะรอบบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเรามันกด็ดำมาลานาฮาดาผู้ใดมันแต่ว่าผู้ใดกด็ดำได้แนะนำนะครับลานาแก่เราหรือได้เสนอให้เราเห็นนะครับ พาดาโทษอันนี้โทษอยู่ในนรกนะ่ะกินนูน่นกินนี้เนี่ยอลัลลอฮ์เนี่ยใครนําเสนอเรื่องอย่างนี้ต้องมาถูกลงโทษแบบนี้เนี่ยคนนั้นนะ่ะหัวหน้าคนนั้นนะ่ะอัลลอฮ์จะาฟาซิดฮูอดาดะบันซิดแปลว่าเพิ่มแกเข่าอดาดะบันการลงโทษเดาฟันสองเท่า อยังนี่ลูกน้องขอดวาขอร้องอัลลอพาฉันผิดแนะนำฉันผิดเสนอเรื่องผิดๆให้ฉันฉันก็เลยเดินตามพวกเขาเหล่านั้นนี่ก็เป็นอาซาบอีกชนิดหนึ่งนอกจากกินน้ำร้อนน้ำเหลืองน้ำฉะแผนแล้วยังไม่พอภาษาลูกน้องเข้ามาในนรกด้วยกัน คอมาต่ออัลลอฮฺจะลงโทษหัวหน้าเนี่ยเท่าไรกี่ครั้งสองเท่านี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่พวกหัวหน้าพอได้ยินอลัลลอฮฺเนี่ยกูก็กินน้ําเดือนน้ําร้อนกินน้ําหนองน้ำเดาแต่เบืองจะมาพูดอะไรให้กูฟังย้ำนี้อีกเด้อตายกูเครียดตายเลยเอาไม่เชื่อลองเชิญตามสบายเลยครับ <laughs> นี่ก็เป็นอดาดับอีกประเภทหนึ่งนึกสิคนอยู่ในสวรรค์อยู่ยังไงครับ หันหน้าเข้าหากันดิสทานสิ้นไม่มีใช่ไหมโรคโควิดไม่มีอยู่กันสบายแล้วมีภรรยาอยู่ข้างๆภรรยาประเภทไหนภรรยาที่ไม่เฉืงเง่อกับภรรยาที่สํารวมตนมองเฉพาะสามีตัวเองสง่า ง, งามไหมแล้วก็มีผลไม้หลากหลายชนิดแล้วก็มีเครื่องดื่มอัลลอฮฺอักบาศาระฟัแล้วก็มีเสียงอัสซลามจากอัลลอในสวรรค์แลตรงกันข้ามในนรก เรื่องจริงครับเพียงลูกน้องเข้ามาอัลลอฮฺจะลงโทษหัวหน้าที่มันพาฉันหลงพาฉันมาให้เข้ามัสยิดพาฉันมาให้สร้างสุราพาฉันอัลลอฮฺมันสารพัดพานมันฉันเชื่อมันหมดนะฉะนั้นวันนี้อัลลอฮฺจ่าจะฟะซิดฮุมอาซาบันเดีฟาฟะจงเพิ่มพูนการลงโทษเป็นสองเท่าให้แก่พวกเขาด้วยครับที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับ ในคุณอ่านอายะอื่นอธิบายอย่างนี้สุรุลอาอบบอกว่ารับบะนฮอูลัยอัลดลูนะฟาติมอาดับันีฟมินะนลิคุลีีฟินในสุรอาอับอายะที่38บอกว่าคือกุณอ่านอธิบายกุอานด้วยกันนะลูกน้องเนี่ยเข้าไปในนรกเสร็จแล้วก็ไปขอดุอาต่ออัลลอ์บอกว่า คนเหล่านี้นะ่ะพาให้ฉันหลงคนเหล่านี้พาให้ฉันหลงแล้วก็ฟาอาติฮิมโปรนลงโทษพวกเขาเหล่านั้นอาซาบันเดอฟันการลงโทษเพิ่มเป็นสองเท่าจากนรกเห็นไหมกุนานยาอื่นอธิบายแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเล่าให้ให้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟังให้นบีฟังอัจยบรีนมาเล่าเนี่ย ว่าการลงโทษในนรกสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้านะหัวหน้ามีสองกลุ่มหัวหน้าด้านการเมืองกับหัวหน้าด้านาศาสนาด้านาศาสนาเขาเรียกอะไรนะหัวหน้าด้านอะไรเนะี่ยจิตวิญญาณใช่ไหมเขาเรียกภาษาใหม่ดีนะหัวหน้าด้านจิตวิญญาณพาคนหลงมีไหมมีครับขพาคนไปหาโตตะเกียรนี่ผิดไหมผิดพาคนทรยศต่อลอ ม, มีไหมมีครับ ฉนั้นหลายๆเรื่องอาเลมผู้รู้ทั้งหลายนต้องนึกตลอดเวลานะฉันจะพาลูกน้องฉันไปทางไหนเนี่ยฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยนะยึดกิตาบุลละและสุน้าเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับต่อมาครับตกลงว่าพวกลูกน้องที่เชื่อผู้นำของเขานะครับทางผู้นำด้านการเมืองด้านจิตวิญญาณด้วยทั้งสองกลุ่มเนี่นะ ถ้าไม่ตรงกับที่นบีสอนนะไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์ประทานความรู้ผ่านนาบีมานะถูกหมดไม่ยกเว้นใครเลยครับอลุงนบีผ่านไหมไม่ผ่านใช่ไหมขนาดลุงนบียังไม่ผ่านเลยอัลลอฮไม่สอนเองยอย่าน่าตามใครนะถ้าจะตามมาตามอัลลอฮ์แล้วอ็ูลเท่านั้นอัลตอมาญาติ62ว่าก้าลูมาเละนาะ ลา n a r r i j j a l a n g k ْ n َ a นَ่อุดมใَอัลอ ا อَกร์วَ ا กَลَมาลาลา ا a r r i j j a l a n g k u n n a น่า م ِดมในอัลอาอิก ر ِ เอาสิบลมิาลิกเอิลข้คา ม, คคามองเจ้ลกครับอายาที่ห2บสองเนี่ยนี่ก็เป็นอาสาบชนิดหนึ่ง6ก็ก็อาาบชนิดหนึ่งลุงน้องมารอ้อมดา่าลอลงโทษสองเท่านี่อาาบอีกชนิดหนึ่งชนิดที่สองอะไรบ้างครับพวกกอดูพวกหัวหน้า และลูกนอ้องอ่าเมืม่อทีแรกทีแรกลูกน้องด่าก่อนใช่ไหมอย่างนี้น ie, หัวหน้าแหละกับลูกน้องพูดเหมือนกันนี่เป็นอาซาดกันเด่นหนึ่งพูดว่าไงรู้ง ไ, งไหมลาณาโรมาลานานะแบปบลว่าเกิดอะไรขึ้นแก่เรามาลานาะนี่ทางหัวหน้าพูดและลูกน้องพูดนะต่างวรรคกันนะแต่เราเล่าในสุราชสอดมาลานาะเกิดอะไรขึ้นแก่เรา ลานาร์พวกเราไม่เห็นพวกเราไม่เห็นใครริยาลันผู้ชายหลายคนผู้ชายหลายคนเนี่ยก็ทีนี้หมายถึงใครรู้่ากลุ่มซอฮาบานาบีฮาริยาลันผู้ชายหลายคน ส่วนใหญ่นี่คนที่เชื่อนบีมุฮัมมัดสอลามสุลามและส่วนใหญ่ก็เป็นใครอ่ะอย่างบิลาลอย่างเงี้ยใช่ไหมบิลานเนี่ยชาวบ้านเขามองเป็นคนเป็นคนเลวหนึ่งฐานะการเงินน้อยเงินน้อยแล้วคนที่มีฐานะการเงินสูงๆเนี่ยมองคนจนเนี่ยมองแบบเหยียดหยามหรือว่ายกย่องหรือให้เกียรติวันนี้ก็เหมือนกัน ยิ่งเป็นมุสลิมยากจนด้วยคนกาเฟตเนี่ยมองคนมุสลิมยากจนเป็นคนเป็นคนต่ำนี่ก็เหมือนกันครับวันนั้นไปพูดในนรกมาลานาะเกิดอะไรขึ้นแกเราลานาริจานพวกเราไม่เห็นผู้ชายหลายคนกุณาหนาวดูซึ่งเรานับว่าพวกเขา คิดว่าพวกเขามองดูพวกเขาเป็นคนแบบไหนมีนัลอัสรอดอัสรอดมาจากชารุนความอะไรความชั่วเป็นคนเลวทามทำไมอัลลอฮฺเอาภาษาของของคนหัวหน้ามาเล่าในกะเพรกุานาเพราะว่าคนเหล่านี้มองสวฮาบานาบีเป็นคนเลวหมดเลย เห็นอย่างครับมองซาบานาบีเป็นคนเลวหมดเลยครับวันนี้ยังยังมียอยู่ในอิหร่านนะครับอยู่ในอิหร่านเนี่ยคนส่งเข้มปพมาดูมีอะไรโมลมาอิหร่านพวกซาบานนาดาติไอชาว่าฮีอาฟินนาร์อาอิชาฟินนาร์อัลลอฮฺามาฟังแล้วคนลุกกลันวนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะครับพวกหัวหน้ามุสริกีนหัวหน้ากาฟิรีน ที่เคารพบูชาที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอานบีไม่เอากุรานไม่เอาสุนนะนบีมัชชานี่นะมองคนที่ตามนบีเนี่ยเป็นคนแบบไหนครับอัชรอตเป็นคนชั่วชาเลวสามทำไมไม่เห็นอยู่ในนรกอะไปอยู่ที่ไหนนี่ก็เป็นอาดาบ อ, อีกรายการหนึ่ง หลังจากกินน้ำเดือนน้ำหนองน้ำน้าน้ำไรทอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ลุงน้องขอทุกอาอัลลอฮจารลงโทษมันสองเท่าอันนี้ม น, นึกอีกแล้วก็คนที่เราว่ามองว่ามันเป็นคนเลวๆอย่างอบูละไคลนะบิลาลซัลมานฟาริซีที่มาจากประเทศอิหร่านมารับอิสลามสมัยนั้นแล้วมีอับดุบางคนที่ยากจนมีหมดเอ๊ะเราไม่เห็นอยู่ในนรกอ่ะ เรามองพวกเขาเป็นคนเลวไปอยู่ที่ไหนหมดเห็นอย่างเาับนี่มองใครมองสฮับบะนบีคนที่ปฏิบัติตามนาบีมองเป็นคนเลวเอาวานันนี้คนที่เดินตามนาบีมองมัดมีกลุ่มไหนบ้างที่มองคนตามนาบีมองมุสลิมทั่วโลกเป็นคนเลวพูกก่อการร้ายพวกไหนเยโฮดีอ่ะพูดตรงๆเลยเลยครับยโฮดีนะ ประกาศทั่วโลกพราะมันมีสื่ออยู่ในมือฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งหมดเป็นคนชั่วทั้งหมดเลยเห็นยังครับก็ต้องนึกโอ้อย่าลืมนะใครที่ดูถูกมุสลิมเหยียดยาหมุสลิมมองมุสลิมเป็นผู้ก่อกา ร, ร้ายภาษานี่ยเอาล็อกเก็บทั้งหมด <c oughs> หนาอุบิลลาอีกอีกอาทีนี้ กุนนานาอหอรอดเราเนี่ยนะครับพวกเราเนมองพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวทามยิ่งนี่ยว่าเลวทามในทัศนะของนบนีของอลลอคนเลวคนแบบไหนครับผมอ่านจากประวัติจากจากคุรอานหลายหอาอา ย, อยานหนึ่ ง, งอชรอดุนามีคำอธิบายอย่างนี้ยัตตนยึดบูชาเจวิตรูปเว รูปปั้นนั่นเป็นคนเลวครับเขาอิสลามอธิบายโดยนบีมุฮัมมัดผ่านยิบรีลคนที่กราบทุกชนิดเป็นคนอัชรอคนสงลายมาครับผมอ่านเขาบอ่าเอ๊ะทำไมคนไทยเนี่ยกราบต้นไม้เขาบอก กราบทุกอย่างยกเว้นกฎหมายเอาแต่นิดเดียวพอตลกลงว่าคนที่จะเป็นคนช่วได้เนี่ยอิสลามอธิบายในหนึ่งเป็นคนที่กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลละ์เรื่องที่สองเป็นคนกราบฟฟปฏิเสธอัลลอ์คนที่สามคนที่ตั้งภาธีกับอัลลอ์เป็นคนอัชรอรเรื่องที่สี ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ดีนี่นบีนบีพูดเลยนะคนการเป็นอยู่ของเขาไม่มีไม่มีอุปสรรคเลยมีเงินมีทองช้ามีบ้านใหญ่มีรถขับมีนู่นมีนีมีผู้หญิงนอนกอดมาตกแต่ด้วยนะใช่ไหมนี่แหละชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเพลิดเพลินกับลมดุนยาเป็นชีวิตที่อภิยศทีนี้นี่คนกาเฟ่ต์มองนะแต่ ที่มองนะถูกถูกด้วยผิดมองสอบบ้านนะีเป็นคนเลวนะผิดหมดเลยครับอย่างนี้เป็นต้นอา้าววะกาลูมาลานาลานาราเรจลังกุนนานาอุดมมินาอัชรอรนี่พวกหัวหน้ารวมทั้งลูกน้องด้วยนะเข้าไปอยู่ในนรกแล้ว หลังจากลุนองด่าแล้วก็พูดหมายนี่อีกเรื่องนึงนะเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเราล้านรอพวกเราไม่เห็นริยาลันผู้ชายอีกหลายๆายคนซึ่งเป็นสห บ, บัตินบีคุณนาาอาดูฮุมซึ่งเรานับว่าเรามองว่าเราเข้าใจว่ามินัลอัสรอ์พวกเขาอยู่ในหมู่คนเลวสามยิ่ง อยู่ที่ไหนไม่เห็นหน้าเลยอัลลอฮฺว่าบัาในตัฟซีตอธิบายอย่างนี้นะครับอบูญะฮันเนี่ยพูดคำนี้นในตัฟซีตอธิบายนะอบูญะฮันพูดคำนี้บิลลานอยู่ไหนคนจนๆนะ่ะสันมาลฟาริซีที่มาจากประเทศอิรานนะมารับอิสลามกับนบีนะอยู่ที่ไหนไม่เห็นหน้าในนรกเลยนะทั้งๆที่อบูญะฮันเนี่ยนะ ลูกรับอิสลามลูกสาวรับอิสลามลูกสาวชื่อยูไวร์ยัลูกชายชื่ออัคริมารับปรับรับอิสลามคุณแม่ของอบูยฮันรับอิสลามพี่ชายรับอิสลามแต่ตัวเองเป็นกาเฟตอยู่คนเดียวในครอบครัวรับรับอิสลามกันหมดแต่บอบูยฮันเนี่ยยืนหยัดในความฉันจะยืนหยัดถ้าอิสลามดีต้องมาถึงฉันก่อน ดันมาถึงมูฮัมหมัดก่อนฉันไม่พอใจถ้าอิสลามดีต้องมาถึงใครก่อน อ, อย่างใน ม, มีข่าวมาจากต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องมาถึงอบูญ์จรันก่อนใช่ไหมเขาเป็นหัวหน้าเผ่าอยู่เนี่ยอยู่ในนครมกักกะถ้าอิสลามดีสามารถพาไปสวรรค์ได้ไม่มีการลงโทษโน่โนกับทนนี่มันต้องมาถึงฉันก่อนแล้วไปถึงมูฮัมหมัดซึ่งเป็นหลานฉันพ่อก็จนเยอะมากยากจน พ่อตายแม่ตายมาถึงมุฮัมมัดได้ยังไงและบิลานเนี่ยจนด้วยเป็นทาด้วยไปรับอิสลามฉันรับไม่ได้เป็นคนเลวเป็นคนชั่วคนหนึ่งนะครับเอาต่อมาครับก็รอพี่น้องนี่ดูถูกซาบ้านนะมีว่าเป็นชาวนรกหนักนะอ่ะดูมาอายะที่ห3สในเรื่องหมาอีกนะครับอัด ตัก้านัุมซิขรียอำเภอวดอันหุมมลบอซารตัก้านัุมซิขรียอำเภอวดอันหุมมลอบอซารนะอุศบิลลมิซลิอันนี้อัณาชนิดที่เท่าไหร่เนี่ย ที่สามที่สี่แล้วกันนะ <laughs> อ่นนอานเอกสารนบีนะครับมาดูสับอิตาคอนนาฮุมที่เรามองไม่เห็นบรรดาสวาานะ่านนบีอยู่ในนรกเนี่ยนะเป็นเพราะพวกเขาเป็นเพราะพวกเรามราจากพวกเขาเป็นเพราะพวกเราเนี่ยเขาคิดนะคิดในกระแสอยู่แล้วนะแค่คิดนี่ก็ะวดหัวนะแบบเราคิดนะเนี่ยทํามันมึงทําไมมัน ถ้ามันไม่เหมือนเราเลยวะถ้ามันมันถ้ามั น, ม, น, ม, ม, นมันไม่อยู่ในนรกแลยไม่อยู่ที่ไหนคว่าแค่คิดปวดหัวก็ปวดหัวเลยนะเพราะเราเพราะเป็นเพราะพวกเราถือเอาพวกเขาเหล่านั้นเป็นข้อเยาะเย้ยขบขันดูถูกเหยียดหยามเห็นไหมนี่รู้สานึกแล้วสานึกสานึกแล้วสำนึกแล้วถ้าไม่ถ้าซาบานอบีไม่ได้อยู่ในนรก พวกเขาไปอยู่ในสวนสวรรค์เพราะอะไรพ่อพวกเราในยอมรับยังพราะพวกเราไปเยอะเย้อยพวกเขาเหล่านั้นไปดูถูกพวกเขาเหล่านั้นเพิ่งไปยอมรับอยู่ไหนในในรกคือคําตอบมันมาแล้วเนี่ยพ่อถามว่าสวาบานบีอยู่ไหนบิลานอยู่ไหนท่านโซเฮบอยู่ไหนใครตะใครอยู่ไหนคําตอบมาอยู่ในสวรรค์หมดแล้วเอ้า แล้วเราอยู่ในนรกนี่เป็นการลงโทษประเภทที่สามคือเพราะพวกเรานี่เคยเยาะเย้ยพวกเขายฮูดีฟังเอไว้วัน ห, หน้ายฮูดีนะฟังอายานี่วันนี้พวกยฮูดีดูถูกมุสลิมเข็นฆ่ามุสลิมพวกปาเลสไตน์ถูกฆ่าเท่าไหร่เด็กฆ่าเท่าไหร่แต่ทั้งหมดเรานี่เขตายชาหิตทั้งหมดนะนะแต่นั้นคนที่เยาะเย้ยะนะวันนี้พวกเขาเยาะเย้ยมุสลิมดูถูกมุสลิมใช่ไหม ผู้ามุสลิมเป็นพวกนั้นพวกนี้อะไรก็ตามนี่หัวหน้าอาหรับมุชริกในนครมักกะไปยอมรับแล้วที่เราไปดูถูกสบ า, าบานอับีเพราะพวกเราเย่ะเย้ยพวกเขาเหล่านั้นจึงเกิดลงโทษแบบนี้หรือหรืออามบว่าหรือจากรตันฮูมุลอบสอดหรือว่าตาเรา อปสรหรือว่าสายตาหรือว่าสายตาของพวกเรานั้นนะ่ะคลาดไปจากพวกเขามองพวกเขาไม่เห็นเพราะเพราะว่านรกมันกว้างอ่ะอาจจะไปอยู่มุมหนึ่งมุมใดของนรกก็ได้มนบอกไม่ใช่เอ็งคิดผิด <c oughs> ไม่มีทานหรอก <c oughs> แค่จะนึกว่าเขาอยู่ที่ไหน <c oughs> เขาก็ให้เห็นแล้วหรือว่าไปแอบไปอยู่ในส่วนไหน ของนรกก็ดิคิดเองอะ่ะถ้าฉันไม่เห็นเขาอาจจะสายตาเรามองไม่เห็นเขาก็ได้แต่ที่ไหนได้เดี๋ยวเสียงมาแล้วเขาอยู่ใหนฟิรดาสอยู่ในสวนสวรรค์ชั้นพิเศษเพราะเขาถูกรังแกจากพวกคุณมาตลอดทง้ทงไหนนะทางชีวิตของเขาถูกรังแกถูกดา่าถูกใส่ร้าย เดี๋ยวนี้เขายืนยัดในอัลลอฮ์องเดียวปฏิบัติตามน บ, บีตามสุนนะน บ, บีเขาอยู่ในสวรรค์กันหมดแล้วนะอูซบิไลท่านฮัสซันบาซลีอธิบายบอกว่าพวกสวาบานน บ, บีฮุมฟิลจันน่ะเขาอยู่ในสวรรค์กันหมดนะครับอัลลอฮ์บอกตัวร้องว่ายืนยัดในอัลลอ์ให้แน่นนะ นำมายาขาตอ่านคัรอ่านสม่ำเสมอบริจาคสม่ำเสมอติดต่อกญาิพี่น้องขอดูอาสม่ำเสมอยิกรุลล่อสม่ำเสมออย่าทลอะกับพ่อแม่ตัวเองถูกด่ามาอะไรมาให้อภัยกับคนไปเถอรางวัลรออยู่ข้างหน้าตายแล้วจะได้เห็นรางวัลอันแท้จริงนะครับเอาต่อมาหอายุที่64ิบี่ إن ذلك ل ح ق و ّ ت خ ا ص م ُ أ َ ه ل النار إن ذلك ل ح ق و ّ ت خ ا ص م ُ أ َ ه ل النار نعوذ بالله من ذلك الله أكبر آية ثي س٦٦٤ นี่เป็นนากีดะอ่าเป็นความเชื่อคนอา่านกุมภีรนทุกคนนี่ยิบรีนเอากรุรอานอาย่านี้มาให้กับนบีมาบอกว่าอินนาดาลิกะ <c oughs> แท้จริงอินนาแปลว่าแท้จริงดาลิกะนั่นแหละคือเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยกินน้ำเดือดกินน้ำหนองแล้วลูกน้องเข้าไปอลัลลอจาร์ลงโทษประมันสองเท่า เออใช่บิลานอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในสวรรค์ไปแล้วอลลอทั้งหมดเนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่ไงราลิกาลฮักโก น, นี่เป็นเรื่องจริงครับสบายใจไหมพวกเราคนหนังกราสบายใจไหมสบานบภสบายใจไหมสบายใจนี่เป็นเรื่องจริงครับสบานอภอยู่ในสวรรค์จริงครับคนกาเฟอยู่ในนรกจริงครับ และลุกน้องจะมาด่าอาลรอดลงโทษมันสองเท่าเป็นเรื่องจริงครับกินน้ำเดือดจริงครับปินน้ำหนองจริงครับแล้วก็ด่ากันเองจริงครับอินนาลาห์กุลแท้จริงนั่นคือละหกุลสภาพแห่งความจริงหักกุลกุรอานหักกุลใช่ัหมนบีหักกุลอัลลอฮ์หักกุลนรก มีจริงสวรรค์มีจริงกุอานมีจริงฮักคุณทั้งหมดครับในเรื่องที่เกิดในนรกกับคนกาฟเ ฟ, ฟก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเสบายใจครับต่อมาครับตาข้อซุมต่างคนต่างขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องจริงตาข้อซุมอลเนี่ยคนบ้านเดียวกันทะเลาะกันมีความสุขไหมถามมีความสุขไหย ไม่สุขนะพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันความสุขไม่มีลูกไม่สุขลูกกับลูกทะเลาะ ก, กันมีความสุขไม่มีความสุขอนะ่ะนี่อยู่ในนรกร้อนอยู่แล้วแล้วก็อาสาบตามมาหมดเต็มเลยยังทะเลาะ ก, กันเองมีความสุขไมหมละ่ะจะกินนานนรกแบบสบายๆนะทะเลาะ ก, กันเองนะอ่ะเป็นเรื่องจริงครับทะเลาะ ก, กันเป็นเรื่องจริงขัดแย้งกันเป็นเรื่องจริง เห็นไหมใครขัดแย้งกันอาลินน า, นาไปไว้ไรนรกอาลีบวชชาวชาวนารกทะเลาะกันเป็นเรื่องจริงชาวทะเลาะด่ากันเองเป็นเรื่องจริงท้าทะเลาะชาวนารกกินน้ําร้อนๆเป็นเรื่องจริงลุกน้องมาด่าหัวหน้าเป็นเรื่องจริงจริงหมดเลยแต่ข้อสมขัดแย้งกันเป็นเรื่องจริง เราอุจจิบบิลลามิ่งซาลิกอัลลอฮฺมิโนะครับอัลลอฮฺเราอุจจิบบิลลามิ่ซาลิกนี่คุรานสอนเราฉะนั้นในสวรรค์ทะเลาะกันมีไหมไม่มีครับคนในสวรรค์เรื่องทะเลาะกันไม่มีครับเห็นหน้าก็ายิ้มสาลามาอะไรกูแก็บ้าหลักสบายดีหรือครับแต่มีเสียงจากอัลลอฮฺามาอีกสลามมีอาหารมีนูอาหารเรื่องทะเลาะกันไม่มีครับภรรยาเป็นไง กอสิรอติกต้อนฟีมองต่ำมองสามีคนเดียวแต่ดุนยานี้เธอเงือขนาดมีมมีรมีภรรยาแล้วมีเมียแล้วมีลูกแล้วยังยังทำอะไรผิดผิดเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่านคุณอ่านใจสบายอัลลอ์เราประคองตัวยังไงให้อัลลอฮ์พอใจเราอย่างนี้เป็นต้นตัวว่าทะเลาะกันจริงไม่จริงแต่คอสุมไปไรนะขัดแย้งกัน เป็นเรื่องนะั้นจริงนี่เป็นอั ก, กดีได้เป็นความเชื่อนะสหรับพี่น้องพูดศรัทธาต่ออัลลอ์ต้องนึกแบบนี้ครับเอาต่อมา Quand. อายาที่ห5เปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยใหม่กุลอินมาอนมุลซิบวมามหามินอิลฮินอิลลออ อัลลอฮฺอัลกอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺออัลลอฮฺอัลลัลอลัั อัลลอฮ์รับรองว่านบีเป็นคนที ah ah ่อ uh ัลลอฮ์ส่งมาไม่ใช่ยะฮูดีส่งมายาฮูดูเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงครับอายาไหนครบที่ว่าศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยอินชาดดานาสิอาดาวตัลลิลลัฎีนอามันุฮุลยะฮูดวลลัฎีนอัชรักูแท้จริงศัตรูของอัลลอฮ์ที่ร้ายที่สุด ก็คือยวิวดีและผู้ที่ตั้งพาคีกับอัลลอฮ์นี่เป็นลูกน้องยวิวดีทั้งหมดบนโลกดุญยาใบนี้เป็นเรื่องจริงครับยิงใส่ไรอิสลามคนาดไหนก็ตามยิงด่านาบีมหฮัมมัดว่านาบีมุฮัมมัดนี่ไม่ใช่เป็นนบีคนสุดท้ายนี่ยวิวดีพูดนะมันเชื่อว่าจะต้องมีนบีมาอีกคนหนึ่งคนสุดท้าย ตองเกิดในปาเลสไตน์ไม่ใช่เกิดในมักกะแต่เอาล่อให้เกิดที่นครมักกะเป็นลูกหลานของใครของนบีอิสมาอินลูกชายของนบีอิบรออยเห็นไหมเกิดถึงมักกะเป็นพี่น้องกันพี่กับ น, น้องอันนี้เป็นตนะ้นเนี่ยอาเยลีนาเยคูดีกับอา랍ทะเลาะ ก, กันวันนี้จะมาเราไม่ใช่อา랍เราจะได้ไปสวรรค์ไหมได้ไปครับพนนบีพูดอย่างงี้ คนอาหรับมาได้ไปสวรรค์คนยิวมาได้ไปสวรรค์คนยิฮูดีมาได้ไปสวรรค์คนไม่ใช่อาหรับมาได้ไปสวรรค์คนผิวขาวผิวดาไม่ไปสวรรค์อินลาปิตักวานอกจากมีใจหัวใจผูกพันกับเราจบลสูญกับอัลกุรอานเท่านั้นถึงจะไปสวรรค์จบเลยครับสบายใจทำดีละอ้ามมาดูกุรอานกุลมุฮามัดเอ๋อจงประกาศ ประกาศให้ใครอ่ะก็ญาตินบีนั่นแหละอับูญะฮันอบูลาใครทัใค ร, ใครหรือประกาศให้ยูดีทราบดวยวั น, ยนนี้อนุญาี้อินนามาแท้จริงฉันเป็นเพียงออลีนะฉันนี่เป็นเพียงอะไรนะอานะอาอัลลอฮอานะ่าแปลว่าฉันนะมูซิรุนผู้ตักเตือนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นพระเจ้ากราบนาบีมุฮัมมัดไม่ได้ถ้าจะกราบตยังกราบอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีมาในฐานะอะไรครับเป็นผูเน้เตือ น, นะ น, นเตือนข่าวร้ายนะมุนซิดเนี่เตือนข่าวร้ายนะอะไรบ้างครับหนึ่งข่าวร้ายนรกมีจริงครับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ถูกลงโทษจริงครับตายแล้วต้องฟื้นเป็นเรื่องจริงครับ ฟื้นแล้วต้องถูกต้อนเรียกทวงมาชาัดเป็นเรื่องจริงครับนรกมีจริงครับน้ำเหลืองน้ำหนองมีจริงครับเมื่อเข้านารกไปแ ล, แล้วนะครับจะได้ทะเลาะกันเป็นเรื่องจริงครับอาณาโมนิฉันพิธนนาเป็นูดเตือนคุณตรานั้นเองเ<ม>ชื่อไม่เชื่ออารมณ์มาไดบา้บังคับเปิดอิสระคุณตัวฟรีทิงกิความคิดอิสระไม่ได้บังคับใครเลย เราก็สั่งนบีจะมลาลาสตาไลหิมบิมุสไลตนบีจะบังคับคนให้รับอิสลามไม่ได้ห <c oughs> อย่างครับวันนี้เราไม่ได้บังคับให้เราอิสลามนะเพราะเราใช้ปัญญาพระอัลลอฮ์ใช่เลยอันนี้มาจากอัลลอฮ์อันนี้มาจากรอซูนอันนี้เป็นเรื่องจริ ง, รงที่เรารับอิสลามเนี่ยเพราะเรามีสติปัญญาอพอพูดเรื่งสติปัญญาก็เล่าเรืงนั้น นกมีมีมีมีสติปัญญามั้ยสัตว์มีไหมไม่มีมีความรู้สึกถ้าเราคิดว่าเราได้ริสกีเพราะปัญญาของเรานะสัตว์ในโลกนี้ตายหมดใช่ไหมไม่ใช่แอบแฝงแกวัวควายปัญญามันมีที่ไหนน่ะเราเนี่ยพอเราคุยว่าฉันได้ริสกีเยอะมีนาอยู่ร้อยไร่ฉันมีบ้านหลายหลังมีนู่นเพราะปัญญาเราเองคิดผิด ถ้าคิดว่าริสกี่ผ่านพุสติปัญญาของเรานะไม่ใช่อัลลอ์ให้มานะแพะแกอัวควายตายหมดแล้วครับแต่แพะแกอัวควายอยู่ได้ไหมใครเลี้ยงอะ่ะต้องนึกอัลลอ์อย่ายคุยอะ่ยะอย่าคุยอัลลอ์ให้ฉันดีกว่าอัลลอ์ให้ฉันมาแล้วทดุริลลาขอบคุณอัลลอ์ดีกว่าอย่าไปคุยนะฉันสติปัญญาฉัน ความรู้ของฉันความสามารถของฉันแบบคลนะแบบกอรูเป็นยังไงพอคุยพับอัลลอฮฺเอาแผ่นดินสูบเห็นยังครับจะตั้งใจคุยจะตะกรับบดยาเยาะยิงยาจงองห่วงให้นอ บ, น, อ บ, น, อบออน้อมไม่ถ่อมตนต่ออับสุภานุบาลดีกว่านะครับกุลอินนัมอานามมนซิรุนมุฮัมมัดเอ๋ยนี่อัลลอฮฺให้ยิบรีนมาบอกกับ น, นบีนะให้นบีมาประกาศด้วยว่าฉันเป็นเพียงเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้น เนี่ยเราสั่งนะตัวร้ว่านี่เป็นหลักฐานยืนยันว่านบีเป็นคนของใครอัลลอฮ์มาทําหน้าที่อะไรสอนศาสนาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวเรื่องที่สองวามินอิลฮินอัลลอฮ์บนโลกดุนยาใบนี้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเห็นอย่างครับทําไมยําไปยํามายําไปยํามาเพราะอักรีดาเรื่องอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับ คนถ้าอยู่กับอัลลอฮ์อง์เดียวนี่นะชีวิตไม่เหงาครับแต่ถึงบ้านมันจะกินแตตอนเริ่มต้ น, ต น, ตนยังไงนะอัลลอฮุมาอิอัลลอฮ์อยู่กับเราวัลมาลาอิกาตุฮาลีมาลายกาอยู่รอบตัวเรานึกแบบนี้สม่ำเสมอไม่กล้าแก้ผ้าคนเดียวอยู่ในดูในห้องด้วยท่า น, นึกว่ามาลายกาอยู่รอบเราเนี่ยไม่นึกนึกอัลลอฮ์อักบัสอันนี้เป็นต้นนะครับตัลังว่านี่สองเรื่องแล้วนะ อยูเรื่องอาญานี้ยหนึ่ง บ, บีมุฮัมมัดนี่มาในฐานะนเป็นผู้เตือนคนไม่ใช่บังคับคนเรื่องที่สองอัลลอฮ์มีกีอ่งองค์องค์เดียวโต๊ะตะเกียช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ช่วยไม่ได้เลยครับนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์แบบนั้นครับอัลวอฮ์ให้อ่าเองทรงทรงเอ ก, กะมีหนึ่งพวกคริสเตียนนี่บอกว่าอัลลอฮ์นั้มีสมหนึ่ง พระบุตรพระแม่อะไรอะาไหมอัลลอ์มีภรรยามีภรรยาชื่อนานางมารยามีลูกชาชื่อนบีอิสสพิชบุตเลยเนี่ยนะอัลลอฮ์องเดียวครับ ว, ว่าให้อาต่อมาครับอะลกฮ่แปลว่าพิชิตผู้พิชิตโดยเด็ดขาดผู้พิชิตโดยเด็ดขาดอัลลอฮฺอักบัดนะอลอเีซบิลลา่เป็นซาดิอัลล์ลลเด็ดขาดตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้นอยู่กับอัลลอฮ์พึ่งอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีลูกขอมาต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องไปขอจากคนอื่นริสกีขอจากอัลลอฮ์องเดียวนะครับล้อิจ่าอิลลอห์อินนามอันตะมุนซิรุมคนที่จะเชื่อวันมีเป็นผู้ตักเตือนก็คือคนที่กลัวอัลลอ์อยู่แล้วอย่างพวกเราเนี่นะเพราะว่าอัลลอ์ อัลลอฮ์ส่งนบีมาเป็นผู้เตือนหมดใช่ใช่ใช่ฉันเชื่อนบีมาหมดนบีสั่งอะไรทําหมดถึงจะไม่เห็นหน้านบีวันนี้เราก็เชื่อว่านบีทำนบีทำนบีทำท่านบีทำนบีทำทำตามนบีหมดเลยแล้วก็บรรกะในชีวิตวันนี้พวกฝรั่งเนี่ยพวกมุลมะมุสลิมเขาก็ไปวิจัยนะของที่นบีทํำแต่ละเรื่องเนี่ยพอวิจัยแล้วเจอหมดเลยโอ้ใช่เลยลุกขึ้นนมาตะฮัดยุษ ได้อะไรไปวิจัยว่าการลุกขึ้นออมาแค่ยกมือขึ้นอย่างเดียวนี่นะทำให้ร่างกายแข็งแรงลแล้วละท่าสูยูดอีละและอ่านคุรานอีแต่ิกรลุลลอออีละตอนกลางคืนนะตอนตี2ีครึง่งตี3นี่ยพี่น้องขุลพลรูกระพับแข็งแรงเอาต่อมาครับข้อสิบหกครับรับบุษสมาวติวัลอัล วَามาเบี่ยงหุ่มอัลอَซิซ ا ลกัฟฟาร์َับสัมภาระที่ว่ามาเบี่ยْหَ่มอัล ا าْิَุลกัฟฟาร์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺข้อที่8อัลลอฮฺองเดียวนะเป็นผู้พิชิตโดยเด็ดขาด นะครับอายานี้อัลลอฮเป็นรอบบุญแปลว่านะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเป็นผู้อภิบารรับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวอัสมาว่าชั้นฟ้าทั้งหมดในอายาอื่นอธิบายว่าชั้นฟ้ามีอยู่เจน้าเจ็ดชั้นฟ้า วันที่นบีขึ้นแม่รอดนะ่ะชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งเจอใครชั้นที่สองเจอใครชั้นที่สามเจอใครเล่าหมดเลยเห็นยังครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งนะ่ะที่ยอหูดีอเมริกาใครจะใครส่งดงดาวไปนะ่ะทํ า, า, า, าไปเถอะร้อนเล่าท่้นมาใบเองออกจากชั้นฟ้าดุนยาไม่ได้นอกจากคุณจะต้องมีความรู้หนึ่ง มีเงินสองมีความรู้ถ้าสองอย่างนี้ไม่มีนะขึ้นข้างบนไม่ได้พอยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งตะกบบดมากขึ้นใช่ไหมล่ะฉันไปเหยียบดวดาวาคารมาแล้วนะ่ะพันลงมามาพูดรับๆล่าไม่เห็นอัลลอ์สักทีอ่านี่ระวังระวังระวังรบบุษมาวา่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของ นะครับเป็นผู้อาภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายวัลอารดและแผ่นดินด้วยอลัลลอเปพี่น้องเชื่ออลัลลออย่างเดียวปฏิบัติตามลองริษกีอลัลลอฮให้โผลจะแผ่นดินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมนี่พวกปาเลสไตน์นี่มีส่งคนส่งส่ ง, ส, ง, ส, ง, ส, งส่งลายมาคลิปมาพวกปาเลสไตน์เนี่ยออกไปจับปลาในทะเลไม่ได้ถูกกดดันแต่พวก เรพงยืมมดเลยมันมคุ้มหมดเลยไงเอาล่อให้ปลามาเกยหาดเลยอ่ะเอาล่อไม่ใช่ไม่รู้ว่ากี่ล้านตัวนะแล้วพวกมุสลิมบอลร์สตานนี่จับปลาทนำะ ไ, ไมท่า น, นอย่าเล่นกับอาล่านะอหนาเอาล่อจะแสดงให้เห็นเมื่อะไร่ก็ได้อ่ะอ่าทนไปกดดันเขาไม่ให้จับปลาในทะเลเอาล่อส่งปลามาเกยหาดเอง พอเห็นแล้วตั้มตา ม, มันน้ำไหลนะองค์ในความเมตตาขององค์สุภาพจะนั่นเป็นความกับแผ่นดินทุกตารางนิ้วนี่นะจะให้ฤากีโผล่มาที่บ้านเราได้ไหมได้ก็เราไปเป็นมุ่งมินให้มันจริงกว่าแล้วกันต่อมาครับเองคงอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินนะผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งลาและแผ่นดินทั้งหมดทุกตะลางนิ้วเนี่ยอลัลลอฮ์ดูแลหมดครับต่อมาครับว่ามาใบานะฮูมา ใบหน้าแปลว่าระหว่างทั้งสองฮูมาแปลว่าชั้นฟ้ากับแผ่นดินในระหว่างทั้งสองอัลลอฮ์ก็ดูแลอยู่ค่ะระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินมีอะไรบ้างอัลลอฮ์ดูแลหมดอัลลอฮ์ประบาดชั้นฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กัางวัดอัลลอฮ์จะดูแลหมดเลยทําให้อากิไดเราเพิ่มขึ้นเข้มแข็งขึ้นาต่อมาสิฟัดอัลลอฮ์อัลอาซิสผู้ทรงอำนาจต่อมาครับอัลลอฮฟ้าผู้ทรงอภัยโดยเด็ดขาด ทำไมทำผู้ร่างอภัยคนที่ไม่เอาอลัลลอฮ์มีมบาบนโลกนี้เก้งกับตัวสิพราะกลับตัวทราบเรียนาศาสนาอยู่กับกลุ่มมุสลิมเองก็ได้ทางนาสารภาพผิดกับอลัลลอฮ์อลัอลลอฮ์กบฟานให้อภัยความผิดของคุณในอดีตที่ผ่านมาทำด้วยเลยนะฉะนั้นกบฟรรรอาอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อภัยสม่ําเสมอตลอดเวลาคนที่ทําผิดอย่าลืมมาล่อเข้ามาอลัลลอฮ์นะครับอายะห์ที่60ส เจ็เี่ยวเรื่องคุยอีกกุลหัวนับอุนอาซมกุลหัวนับอุนอาซิม้อเนี้ยบางการจะบอกว่ามุฮัมมัดกุลบอกว่ามุฮัมมัดเออจงประกาศจงสอนจงดาว่า หัวมันคือนบาวุลข่าวนบะกะวะข่าวอเลมสําคัญยิ่งมันคือข่าวสําคัญยิ่งอะไรข่าวสําคัญยิ่งต้องการจะบอกว่าคําสอนของนบี ม, มุฮัมมัดเป็นคําสอนที่เป็นข่าวที่สําคัญยิ่งจะสม บ, บ า, ายใจไหม ของ น, นบีพูดออกมาเป็นวาจาออกมาเนี่ยหรือกุรานทุกอายะที่ผ่านปากนาบีมูฮัมหมัดมาเนี่เป็นสําเรื่องสําคัญยิ่งต้องการจะบอกว่ามูฮัมมัดเป็นคนสําคัญยิ่งอลัลกุรานเป็นคำพิเศษสำคัญยิ่งวันกียมรต่นบีพูดเป็นเรื่องข่าวดีหมดเลยฉะนั้นอย่ามองนบีมูฮัมหมัด เป็นคนธรรมดาเล็กๆไม่ได้จะเอาอาเรมอุลามะมาใหญ่กว่าคําสั่งของนบีได้ไหมไม่ได้ครับนบีใหญ่สุดแล้วแต่พวกเรานี้นี่พวกเราเอามาทำใหญ่กว่าคําสั่งนบีมันมากเกินไปเออถ้าหาจากนาบีไม่เจอมาถับไม่ว่ายังไงก็อาศัยกันน่แหละแต่ต้อตงใครใหญุ่ดนะ นบีใหญ่สุดกุรอานใหญ่สุดนี่เล่าให้ฟังมุฮัมมัดเอจงกล่าวข้อมันคือนาบะอุลเป็นข่าวอาริมุนที่สําคัญยิ่งอลุลามานคนอธิบายบอกว่าข่าวสาคัญยิ่งเอาล้าไม่นองคเดียวข่าวสําคัญยิ่งสองอัลกุรอานเป็นการเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เข้าใจไม่ให้หลงทางเป็นข่าวอันยิ่งใหญ่ ตาแล้วต้องฟื้นเป็นขาบอันยิ่งใหญ่อัลลอฮฺอักรารอย่างนี้เป็นต้นอัตตอมาครับ6กสอันตุมงานฮูมวัวรีดูนอันตุมงานฮูมวัวรีดูนอันตุมว่าพวกท่านไม่ใช่พวกเรา มาจงยิวคริสเตียนยิฮดีนัสราณีกาเฟตมุชริกทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้อันตุมพวกท่านทั้งหลายนี่นะพอเล่าเรื่องคุณอาเรื่องนบีมุฮัมมัดเรื่องซุ น, านา่านบีมัวอาดีดูนพวกท่านนี่หันห่างไม่ใส่ใจไม่เอาไม่เอาใจใส่หันหลังให้กับ คำสอนของนบีเห็นไหมพอเยฮูดีมันเป่าหูเอาไว้ใครที่เดินตามนาบีมอมหัดเป็นผู้ก่อการรา้ายโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยพูดมาหลายเที่ยวแล้วนะหลายครั้งแล้วนะถ้าอยู่กับฉันเป็นพวกฉันถ้าอยู่กับอุสามาเป็นลายเดิมเป็นผู้ก่อการร้ายบางคนอิหมันอ่อนๆมันก็ไปอย่างนั้นนะไปก็เชิญตามสบาย อันตุมอันหูมั่วอดุรนซึ่งพวกท่านหันห่างไปจากมันหันห่างไปจากคําสอนของฮัหมัดหันห่างจากอัลกุรอานหันห่างจากสุนนนบีหันห่างจากสิ่งที่นบีเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนด้วยยิ่งออกห่างเท่าไหร่เองก็ยิ่งอยู่สบายบนโลกดุลย์าให้กี่โลกโลกเดียวพอตายแล้วเจอพอเจอพาพเป็นไงครับ ขอกลับมาแก้ตัวใหม่ได้ไหมอินนาอับบสอร์นาวาสเมียนาฟาร์ญียานานามันสอลิยันอินนามูกินูนมาเลกาถามว่าก็ออกมาจากดุลยาเพๆเนี่ยขอกลับไปทำไมเพิ่งรู้โอ้โห و, ของท่นานอบีสอนเป็นเรื่องจริงทีนี้อุลมะอธิบายดีนะก็ พวกท่านเนี่ยหันหลังหายหนึ่งหันหลังไม่ใส่ใจว่านาบีมหามัดจะมาเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์องเดียวห้ามตั้งภาคียกับอัลลอฮ์ข้อที่สองนบีมหมัดเป็นนบีของอัลลอ์จริงๆพวกคุณไม่ใส่ใจนบีมาสวนนวันเกียร ม, ม่า์มีจริงตายแล้วต้องฟื้นพวกเองไม่ใส่ใจให้กุรานพา น, นาบีมหมามัดมาพวกเองไม่ใส่ใจ แล้วก็นบีเนี่ยถูกด่าถูกตำหนิว่าเป็นนู่นเป็นนี้พวกเองไม่เคยใส่ใจเลยแล้วก็อัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยให้บรรเล่าชีวิตของบรรดานาัลลอื่นๆให้มีการอดทนอดทนอดทนโอดท น, ดทนดพวกคนไม่เคยใส่ใจเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยจะต้องลําบากจริงๆเธอก็ไม่ใส่ใจเหมือนกันอัลลอฮ์เอากรจะจบมีฮะดีษ อธิบายเป็น้องฟังสัญญาณก่อนวันเกียร์มาจะมาเนี่ยนบีเล่านะจะมีอยู่หลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งจะตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองต้องระวังให้ดีนะนี่สัญญาณวันเกียร์มาก่อนวันเกียร์มาจะมาเหตุการณมันจะเกิดขึ้นในครอบครัวเรานี่แหละหนึ่ง จะตัดขาดกับเรื่อยาติข้อที่สองการค้าเนี่ยจะจะขยายตัวเห็นยังครับนี่มันตรงกันเลยกับพวกยาฮูดีฉนันต้ทำการฆ้ า, าธุรกิจเจริญใช่ไหมเมียเข้าไปช่วยด้วยนี่นบีเล่าเองนะภรรยาลงไปช่วยสามีด้วยเรื่องที่สองซูฮูรุลกลัม คือการเขียนเนี่ยการเผยแพร่ศาสนา ม, มันจะเพิ่มขึ้นตำรับตำรา จ, จะเพิ่มขึ้นแ้า เ, เรื่องจริงน่ะหนังสือออกมาใหม่ๆเรื่อยใช่ไหมคนอ่านหนังสือเก่งๆนะมีภาษาลักภาษาอุรดูภาษาอังกฤษภาษาไทยมอเต็ไมไปหมดเลยนะ่ะอยากมีวีทีวีวโหโฆษณากันเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมนี่เงซูฮุนรุลกอลัลมนี่สัญญาไว้กันเก็บ ม, มัดหมดเลยนะ่ะ อีกข้อหนึ่งคนจะแข่งกันสร้างตึกให้สูงๆแล้วมองดีพวกเราเป็นชาวนามา่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงครับเห็น ไ, ไหมที่ตรงนี้เอาตึกสูงไปแล้วอันนี้สูงไปแล้วอันนี้อา้าวเรายังเดินใส่รองเท้าแต่อยู่เลย <c oughs> อ, อีกเรื่องหนึ่งนะครับเครื่องหมายวันเกียรมาวันเกียรมากก่อนก่อนจะมานะครับ ใบตุ่นล้อจะถูกเผาเนี่ยใบตุ่นล้อเราเนี่ยข้อที่สองคนจะตอ ว, ว่าไม่มีแต่ตอนนี้ยังมีอยู่นะตอนนี้ตอยังมีอยู่ใช่ไหมมีแต่คนไม่เยอะเท่าไหร่เตือนให้รู้อ่าอัลลอฮ์นี่อัลอลอฮ์ให้นบะีมันเล่าให้ฟังนะข้อที่สามคนจะผู้คนจะ นองเลือดจะฆ่ากันจะทะเลาะกันแล้วข้อสุดท้ายก็คือญาติพี่น้องจะทะเลาะแล้วก็อีกการหย่าร่างก็จะเกิดขึ้นแบบง่ายดาสามีภรรยาเราต้องประคองตัวหมดเลยนะจากนั้นอย่าทะเลาะกับภรรยาเยอะนะครับอย่าทะเลาะกับญาติพี่น้องต้องยึดมั่นในอัลกรุรอานและสุะานัขมุธนาบีนะครับ จากฮัดริของอิบาิมบุคอรีอิบามาอัลฮมัดอิบามตบบรอนีนะครับเรื่องใหญ่ก็คืออีกข้อหนึ่งจะให้สาหรักับคนที่รู้จักคนถ้าไม่รู้จักให้หรือไม่ให้ต้องฝึกฝึกนิสัยคนเวลาไปอยู่ไปมเห็นกับตัวใช่ไ่าคนนี้กูไม่รู้จักถึงจะเป็นมุสลิมก็มไม่ทง เมีมาในใจเราน่พยายามฝึกนะทักกับคนยิ้มกับคนนบีเนี่ยเดินผ่านเด็กนบีจะให้สลามเด็กนะสลามมาเลกุมยาสุเบยานโอ้เด็กให้สลามเพราะเด็กเห็นนบีมาก็กลัวไงแต่นบีก็เลยให้สลามสลามมาเลกุมยาุเบยนเราก็ฝึกเน่ยเอาอัานาบีมาใช้เดินผ่านลูกหลานสามาบเราก็ฝเนี่ยเอาอัครานบีมาใช้เดินผ่านลูกหลานสลา ม, มาลุมยุรกํอาอังเลินผ่นลูกหนสม่เห็นี่ยเครีมาใต๊ะแชนผ่าก แชก็โลกกงหน้าดูแลให้สลามล้านกว่าได้ไหมได้อัสตาล่ามาเลยคือาป็นตบหมดเวลาครับ